อากาศหนาวหนาแบบนี้นะลองนึกถึงคนที่เขาอยู่ในที่ที่หนาวกว่าเรานะนึกไปถึงอย่างประเทศที่เขามีหิมะตกนะอากาศหนาวหนาวเ น, น, น็บนะต่ำกว่าศูนย์องศานี่อาจจะรู้สึกเลยนะว่าเออเรานี่ยังโชคดีนะของเรานี่ยแค่สิบหกสิบเจ็ดองศานี่ที่อื่นนี่ติดลบประเทศรัสเซียนี่หนาวมาก เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนี่ได้อ่านข่าวหนึ่งนะมีเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยประเทศรัเสเซียไม่รู้ใครเอาไปทิ้งไว้ในสวนสาธารณะอากาศหนาวมานรัเสเซียเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะมันหนาวกว่านี้เยอะเลยบอกกันว่ามีแมวตัวหนึ่งเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียนะแมวพันธุ์เปอร์เซียนี่ขนมันปกปุย ขนยาวตัวใหญ่มันเดินผ่านไปเห็นเด็กกำลังนอนอยู่บนพื้นนี่มันทำยังไงรู้ไหมมันก็ไปคล่อมตัวเด็กเอาไว้นะเพื่ออะไรนะเพื่อช่วยเหลือเด็กนะแมวนี่มันจะว่าไปมันก็ไม่รู้ภาษีภาษานะแต่ว่าพอมันเห็นเด็กทารก กำลังจะตายเพราะอากาศหนาวเนี่ยความเมตตาสงสารก็เกิดขึ้นนะมันไป น, นอนคล่อมตัวเด็กเอาไว้ทั้งที่ตัวมันก็หนาวนะเพราะว่าเราคงเคยเห็นนะแมวนี่บางทีก็ต้องใส่เสื้อให้แมวเพราะอากาศหนาวแต่ว่ามันคล่อมเพื่อให้ความอบอุ่นแก่เด็กทารกมันทํากันเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะ คือเรียกว่าข้ามคืนเลยจนเช้าบอกกว่ามีคนผ่านไปเห็นทีแรกก็ไม่รู้แมวทำอะไรแต่พอดูทีอ้อแมวนี่กำลังนอนทับเด็กทารกอยู่เนี่ยบอกกว่าเด็กยังไม่ตายนะขณะนี้อยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บมากนะต่ำกว่าศูนแต่เด็กไม่ตายเพราะว่าแมวช่วยชีวิตเอาไว้ แนตัวนี้นี่ก็เรียกว่าเสียสละมากเพราะว่ามันเองก็อย่างที่บอกนะคือมันก็คงจะหนาวแหละไม่รู้ใครสอนมันนะให้มันมีเมตตากรุณาเสียสละแม้กระทั่งกับคนซึ่งก็ไม่ใช่ลูกมันนะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะทั่วโลกแต่คงจะสู้ข่าวที่ก่อการร้ายนะที่ซีเรียรหรือว่าที่ไป ค่าคนในกรุงปารีสไม่ได้นั้นข่าวใหญ่กว่าเรื่องแมวที่ช่วยเด็กทารกนี่ก็ทำให้นึกถึงอีกกรณีหนึ่งนะเมื่อสีห้าปีก่อนก็มีคนเอาเด็กทารกไปทิ้งเอาไว้แถวสนามหญ้านะเดือนธันทันวาเป็นช่วงคริสต์มาสเด็กก็กำลังจะตายนะ เพราะว่ามัน ม, มีใครเห็นเลยนี่ประเทศออเจนตินาประเทศออเรนตินาก็หนาวมากเดินสิกเดินธันวาปราะกอว่ามีแม่หมาตัวหนึ่งนะไปเจอเข้าแม่หมาทายังไงแม่หมาก็ก็คาบนะเรียกว่าลากดีกว่านะลากเด็กคนนี้ไปที่รังของมันแล้วก็มันก็ไปนอน อิงแอบนะใกล้ๆ ก, กับเด็กพร้อมกับลูกของมันระยะทางก็ประมาณสักสามร้อยสี่รอยเมตรได้มันล่าไปเลยนะเพราะรู้ได้ยังไงว่ามันล่าไปเขาเขาเห็นรอยนะตอนหลังตอนเช้ามีคนมาเห็นแล้วก็เห็นรอยเด็กเนี่ยคล้ายๆเด็กถูกล่าไปที่หลังของมันแล้วก็เด็กก็มีรอยถลอกปอกเผือกด้วยนะเพราะหมามันฆ่าไปลากกับพื้นนะ หมามันเล่าไปเพื่อที่มันจะให้ความอบอุ่นพร้อมๆกับลูกของมันอันนี้แสดงว่าสัตว์นี่มันมีสัญชตาติญาณเมตตากรุณานะมันไม่ใช่แค่สัญชตาติญาณรักพวกรักพ้องรักลูกแต่ว่ามันมีสัญชตาติญาณที่จะรักสัตว์ที่เดือดร้อนและมันก็คงคุ้นกับคนแล้วก็คงจะรู้ว่าเนี่ยเด็กกําลังเดือดร้อนมันก็พยายามช่วยแล้วก็ช่วยชีวิตจนได้นะ ทั้งสองกรณีเด็กก็ไม่ตายถ้เร า, าไปคิดว่าความเมตตากรุณานี่มันมีแต่เฉพาะกับคนนะนะสัตว์นี่มันก็มีเหมือนกันนะอย่างที่เราเห็นแล้วก็เสียสละมากด้วยอย่างแม่เปอร์เชียตัวนั้นก็มันก็ยอมหนาวนะเพื่อช่วยเด็กก็ไม่รู้ว่ามันทํำไปด้วสัญชัดต่อความเป็นแม่หรือเปล่า น, นะเพราะเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นเพศผู้เพศเพศเมียนะแต่ถ้าเป็นเพศเมียก็เข้าใจได้ก็คือว่ามันมีสันชัดต่อความเป็นแม่ อันนี้ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว้าแล้วแม่ของเด็กแท้ๆนี่ไปไหนนะนะบางทีแม่จะเป็นคนที่เอาเด็กมาวางทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ขณะที่คนนี่เอาลูกมาทิ้งแต่สัต์นี่มันกลับเอาลูกมาเลี้ยงเอาลูกคนมาเลี้ยงนะหรือว่าพยายามช่วยชีวิตเอาไว้นะก็เป็นภาพตัดกันนะตัดกันทีเดียวนะ คนนี่ทิ้งลูกแต่ว่าสัตว์นี่กลับช่วยชีวิตของเด็กทารกเอาไว้อันนี้ก็จาจะว่าไปก็มันก็น่าเห็นใจนะถ้าเราจะไปโทษผู้ที่เป็นแม่นะเพราะว่าถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นเขาอาจจะไม่ทำอย่างนั้นก็ได้ บางทีเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็มักจะโทษผู้หญิงนะแต่ว่าเราลืมไปว่าลราผู้ชายแหละนะทําไมถึงไม่รับผิดชอบนะอาจจะลมไปถึงพ่อแม่ของเด็กอาจจะลมไปถึงครูเพราะว่าเด็กเพราะว่าแม่ของเด็กจะเป็นนักเรียนแล้วก็รู้ว่าถ้าเกิดครูพบความจริงเข้าก็อาจจะไล่นักเรียนออกนะจากโรงเรียน แล้วก็ตามในการที่แม่ของเด็กเนี่ยทาอย่างนั้นได้นี่ก็แสดงว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรักนะอาจจะมีความรักแต่ว่าเขาถูกความคิดมันครอบงำนะความคิดคิดไปต่างๆนาน า, นาว่าแล้วฉันจะเลี้ยงลูกอย่างไรแล้วถ้าพ่อแม่พบความจริงฉันจะอยู่อย่างไร จะถูกพ่อแม่ตัดพ่อตัดลูกตัดแม่ตัดลูกกันหรือเปล่าคิดไปถึงขั้นว่าแล้วถ้าครูอาจารย์นี่พบแล้วนี่ฉันจะเรียนต่อได้ไหมอาจจะคิดไปถึงขั้นว่าต้องการประชดผู้ชายนะทีะ่ไม่รับผิดชอบเนี่ยการคิดไปต่างๆนาน า, นานานี่มันก็ทำให้กรบบทบังความรักซึ่งเป็นสัญ ช, ชตยาติญาณของแม่ได้ ในกรณีแบบ น, นี้ก็มันก็น่าชีว้ว่านี่บางทีคนเราถ้าใช้อารมณ์รุนร้วนนี่มันก็ยังดีนะดีกว่าใช้ความคิดนะเพราะใช้ความคิดแล้วนี่มันก็อาจจะพาไปผิดที่ผิดทางได้สัตว์นี่มันไม่คิดมากนะมันมีแต่อารมณ์ลุนร้วนและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับหมาและแมวตัวนั้นคือความรักบางทีความคิดนี่แหละไปไปบทบังความรักความเมตตาทําให้เรา กลายเป็นคนเหี้ยมโหดใจร้ายดังนั้นในบางกรณีนี่เราคิดให้น้อยลงใช้ความรักให้มากขึ้นหรือว่าใช้อารมณ์ให้มากขึ้นมันก็จะจะดีเหมือนกันนะไอ้การใช้ความคิดมากๆก็มันก็ไม่ดีโดยเฉพราะถ้าเราเป็นธาตุความคิดเนี่ยลงเชื่อความคิดมันก็สามารถจะสั่งให้เราเอาลูกไปทิ้งได้นะทั้งที่ความรักในใจมันรู้ว่ามันเตือนว่าทํำนี้ไม่ถูกทํำนี้ไม่ดี แต่คนเราเพอเชื่อความคิดแล้วนี่หรือว่านึกถึงแต่ตัวเองมากมากนี่มันก็สามารถจะทําทสิ่งที่ไม่น่าเชื่อได้ในขณะที่สัตว์นี่มันไม่มีความคิดมากมัน ม, มีความคิดซับซ้อนมันเห็นคนกําลังเดือดร้อนกําลังจะตายมันก็ไปช่วยเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่า น, นั้นนะงั้นการใช้อารมณ์หรือการใช้ความรักอย่างเดียวบางทีมันก็มีประโยชน์มากกว่าการใช้แต่ความคิดล้นวนโดยเพราะความคิดที่มัน ผิดรูปผิดทางนะเราก็เตรียมรับพร